เป็นการยืนยันนะว่ามันที่นี่ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีผีอะไรนะมันมีแต่สัตว์เท่านั้นเองหลวงพ่อเขียนเคยเล่า้ฟังว่าเมื่อสักสามสี่ปีก่อนนะก็มีโยมคนหนึ่งเข้ามานอนที่ศาลาศาลงไม่ใช่ศาหาลังใหญ่ศาหาลังเล็กๆแล้วทุกคืนเนี่ยเขาได้นเสียงตึงๆๆๆนะก็ตกใจเอาไฟฉายส่อง ไม่เห็นอะไรถ้าเป็นอย่อยู่สองสาคืนนะสองคืนได้มั้งเขาก็ไม่ไหวแล้วมาบอกหลวงพ่อว่าขอย้ายผีมาหลอกหลวงพ่อถ้ามีประสบการณ์ดีนะท่านก็ท่านก็ไม่เชื่อนะแล้วท่านก็แนะนำว่าเวลาได้ยินเสียงเนี่ย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 สมัยก่อนเนี่ยพรรษาแรกเนี่ยอยู่ที่หอไตรพักที่หอไตรเก่านะมาวันแรกเลยก็มีพระก็บอกว่าเนี่ยถ้าได้ยินเสียงเหมือนกับผู้หญิงร้องนะไม่ต้องตกใจนะเสียงมันร้องโหยหวนมากมันก็ร้องโอ้ยโอ้ยเนียไมห้าตกใจเสียงอีเห็นนะเสียงมันก็ดังจริงนะถ้าคนไม่รู้นี่ก็จะเรียกว่าภาวาเลยนะ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 กัลามาสุลนะมันมีข้อหนึ่งกัลลามาสุลมันมี10ข้อนะข้อหนก็คือว่านะอย่าเชื่อเพียงเพราะความคิดนึกตึกตามอาการหรือว่าคิดนึกตึกตามเหตุผลหรือว่าอยเชื่อเพียงเพราะการอนุมาลนะอย่าเชื่อเพียงเพราะการอนุมาล เ, เ, เ, เราไม่เห็นกับตาแต่ว่าเราสรุปไปแล้วเพราะว่าอ่ามันมีเสียงดังนะและเสียงนั้นเนี่ย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 แต่มาดูอีกทีเอยคงเป็นเพราะว่าลมนี่มันไปนพัดลูกไม้เนี่ยตกมาก่อนที่จะตกพืนมันก็มากระแทกกับข้างฝาพอเราคิดแบบนี้ได้ก็สบายใจนะไม่กลัวที่นี่เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งน่ากลัวน้อยลงนะหรือเหตุเหตุการณ์ที่น่ากลัวน้อยลงแต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าอันนี้คือธรรมชาตินะอย่าไปเชื่อตามความคิดหรือการอนุมานของเราเตรียมรับพร